พระองค์ก็ตัดพระเกศาและมงกุฎของพระองค์ที่ประดับด้วยรัตน์อันงามอย่างยิ่งด้วยพระขันอันคมกริบเฉกเช่นกับกลีบบัวขาบอันไม่มีมนทินด้วยพระองค์เองพระองค์ก็เหวียงพระเกศาขึ้นไปในอากาศอธิษฐานด้วยนะเวีวให้เวียงธรรมนาบอกว่าถ้าข้าพเจ้าจะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัสมพุทธเจ้าขอเกศาเหล่านี้อย่าตกถึงพื้นดินถ้าไม่ได้เป็นก็ขอให้มันตกลงม า, านะก็เวียงไปก็ ถ้าตกลงมาก็ไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าเดี๋ยวใจถอดหมดอ่ะนะเพราะว่าท่านมาเนี่ยเทวดามาเชื้อเชิญเทวดาก็เลยรีบมารับเดี๋ยวจะตกดินนะก็เลยรับไปในท้องมหาอากาศเพราะฉะนั้นเท้าส ก, กัดเทวราชก็รับด้วยพระอบทองนําไปสวรรค์ชั้นดาวดึงสร้างเจดีสําเร็จด้วยรัตนะเจ็ดเนือยอดขุนเขาสิเนรุสูง3มโยชนี่นะใครมีบุญคิดว่าตัวเองเกิดในดาวดึงก็จะได้ไปไหวนะ้แล้วนะบอกว่านี่แบบท่าที่รอไปไหว้ชาติหน้าเหมั้งกัน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 ที่พระนางวิชิตตเสนาอัคราเหสีถวายพระพุทธเจ้าองค์นี้ก็องค์ที่สองอะนะที่ที่อดีตเมหศีเนี่ยนะเอาเอ า, เอาอาหารนั้นมาถวายพระองค์ก็พักอยู่ณนะกลางวันณนะพระราชจุทยานทรงรับญ่าแปดกรรมที่เจ้าพนักงานเข้าเฝ้าพนักงานนั่นแหละที่พนักงานเฝ้าอุทยานนั่นแหละเอามาถวายพระองค์ก็ทำประทักษิณต้นมหาโสนโพพฤกทรงลาดสันทัดกว้าง สันทัดยากว้างห้าสิบแปดศอกประทับนั่งนะศึกชิงบลังก็เกิดขึ้นนะโพธิบลังเนี่ยนะบาลังที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพญามารก็มาพร้อมทั้งบริวารเนี่ยนะโพธิ์ก็ชนะพญามารเหล่านั้นด้วยฐานะบารมีเป็นต้นประถมนะแล้วก็เจริญอน า, นาปานสติหกโมงถึงสี่ทุ่มก็ระลึกชาติสี่ทุ่มถึงตีสองก็เห็นสัตว์เกิดสัตว์ตาย ตีสจนถึงรุ่งอรุณก็พิจารณาปฏิจจสมุบาทแทงตลอดอริยมรรคตามลําดับก็พออรหัตตมรรคเกิดขึ้นอรหัตผลเกิดขึ้นดาบก็จุดนั้นสัพพัญยุตยานทั้งมวลก็เกิดขึ้นเนี่ยนะพระพุทธคุณทั้งหลายก็พร้อมสมบูรณ์เนี่ยนะพระพุทธคุณคืออรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทวนุตโตปุริสธรรมสารถิ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 ก็จะมีพระนามต่างๆซึ่งเป็นพระนามที่ได้มาจากการตรัสรู้เป็นพระนามที่เกิดในที่สุดแห่งอรหัตผลนั่นเองชื่อเหล่านี้เมื่อเป็นพระอรหันต์ลนะจึงได้ชื่อเหล่านี้ตามมาหลังจากที่แทงตลอดแล้วพระองค์ที่บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะรุยามรุ่งอรุณพร้อมกับแสงอรุณดวงอาทิตย์โผล่ขึ้นนั่นแหละพระองค์ก็เป่งอุทานที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่ละเลยว่าอเ น, นกชาติสังสารังเป็นต้น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 พระองค์นั้นโดยปกติแล้วอันพิสษุน์สี่แสนรูปที่บวชพร้อมกับพระองค์ณนะัฐนันชัยราชอุทยานแวดล้อมแล้วก็ประกาศพระธรรมจักณที่นั้นในสมัยนั้นธรรมมาพิสมัยได้มีแก่สัตว์แสนโกดเนี่ยนะคำว่าสัตว์แสนโกดนั้นก็คือพระภิกษุ ป, ประมาณเนี่ยแสนรูปที่เหลือก็เป็นเทวดา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 ที่ปะสูดนู่นอยู่เนปาลเนี่ยนะต้องข้ามประเทศต้องวีซ่าสองวีซ่าจริงจะไปได้นี่ครั้งนี้ไปก็ไม่ได้ไปไปไหว้ที่ที่ตัสสรู้นะเอ่อที่ตัสสรู้ส่วนที่ปะสูดไม่ได้ไปเอ่อต่อไปว่าที่พระอุทยานนั้นเนี่ยนะก็มีต้นไม้งามแล้วก็เป็นต้นกว้างใหญ่สะอาดสะอ้านพระองค์เสด็จไปถึงต้นไม้นั้นแล้วก็ประทับนั่งพายนั่งภายใต้ต้นมหาโสนะ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 อ่ะอิตะโอรสโอรสก็คือผู้ที่เกิดจากอกแล้วก็สวมกอดเอาไว้ในอกเนี่ยนะก็เลยเรียกว่าโอรสบทว่าญาณวรุ ป, ปัชชิได้แก่ยานอันประเสริฐเกิดขึ้นหรือว่ายานที่ประเสริฐปรดุษเพชรเนี่ยเกิดขึ้นอนอันตังเป็นยานที่นับไม่ได้ประมาณไม่ได้วัชิรูประมังเป็นยานที่คมเช่นกับวัชิระคือเพชร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 สัตว์ทั้งหลายเป็นจักรวาลเนี่ยนะเป็นจักรวาลเพราะเป็นบาทที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพลันยานของพระองค์นั้นแหลมคมมากเพราะสังเกตดูนะของเราทั้งหลายเดียวก็คิดไปหน่อยหนึงก็ทู่แล<ม>้วคือไม่ค่อยคมะนะมันทู่ง่ายนะกรีดเข้าไปหน่อยหนึ่งก็ทาท่าจะผ่าตัดได้นะกรีดไปนิดเดียวก็ทู่หมดแล้ว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 ว่างจากอัตตาว่างจากสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาว่างจากความเที่ยงความสุขความยั่งยืนพอไปหน่อยก็หาวแล้วนะทุ่หมดแล้วนะพอหาวสองครั้งก็หมดสภาพแล้วนะนอนดีกว่าเดี๋ยววันหลังไปว่ากันอีกทีงั้นนะมันก็หาวมนะันก็มันยานมันทู่จริงๆเลยนะก็ <S <s <Kurt: ing and legend> จะเรียกว่ายานหรือว่าสันมีดหรือเปล่าก็ไ <s> ม่ทราบนะไม่ใช่มีดสองคมนะเอาสันมีดมาเรียกว่าแล่แต่แล้ก็ชักเก็บ มันก็คู่ควรแล้วนะสมควรแลนะ้วที่ไม่ได้ตัดสรุปอะไรบางท่านเถอที่ไม่ได้เห็นอริยสัจเพราะอะไรเพราะว่ายานมันทู่มันนะจะพูดใช้คําว่าวาชิรูประมังไม่ได้เนี่ยต้องใช้อะไรภูเขาประมังเนี่ยมันทู่เหมือนภูเขานะเนี่ยพระองค์นั้นพิจารณาเนี่ยนะพิจารณาสังขารด้วยยานเนี่ยนะถูกเหมือนกับ คำว่าวิปัสนาญาณเนี่ยนะเปรียบเหมือนพระนันทกะสอนพระภิกษุณีทั้งหลายเหมือนอย่างว่ามีโคตัวหนึ่งนะเป็นโคที่ตายแล้วนะก็มีคนฆ่าโครหรือลูกมือของคนฆ่าโคผู้ชลาดก็ใช้มีดแล่โคเนี่ยนะมาแลรกกร่กรีดหนังกรีดหนังปกตินี่ถ้าเขาแล่โคเนี่ยนะเขาจะยกเท้าทั้งสีเนี่ยขึ้นแล้วก็กรีดช่วงท้องออกมาแล้วก็ถลกแล่นังออก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 ฉันธราคะเยื่อใหญ่ที่มีในติดมัเหมือนเส้นเอ็นสายรัดเนี่ยนะสายที่รัดเนื้อให้ติดกับกระดูกอะไรที่ตัวตัวเอ็นตัวอะไรที่รัดติดไว้กับกระดูกอันนั้นเปรตเหมือนกับนันที่ราคะเหมือนกับสังโยชน์ทั้งหลายที่มันร้อยรัดนะคำว่าปัญญาก็เหมือนกับมีดเนี่ยนะเป็นเหมือนกับปัญญาที่กรีดออกไปเพราะถ้ามีดไม่คมจริงเนี่ยกรีดไปนิดเดียวนี่ก็ทู่หมดแล้วนะถ้าใครที่เคยทํากับข้าวนะ เรียว่าซอยอะไรไปนิดเดียวนี่ก็ทู่หมดแล้วจะซอยอะไรก็ไม่เข้าแล้วอันนี้ก็เหมือนการปัญญาที่ปัญญาของพระโพธิสัตว์นั้นแหลมคมเขาเรียกว่าแหล่อย่างเนี้ยหมายถึงว่าวิจัยในลักษณะเนี้ยเหมือนกับการผ่าตัดเช่นนี้แบบแทบไม่มีส่วนเหลือเนี่ยนะกับสัตว์เป็นหมื่นๆเป็นล้านๆเป็นโกดๆเนี่ยนะซึ่งถ้าปัญญาไม่คมกล้าจริงๆเนี่ยก็อย่างที่ว่าเนี่ยนะปัญญามันทู่ก็สังเกตจากฟุงบั่งห้าวบั้งง่วงบ้าง นะคิดถึงเพื่อนบ้างหาพวกคุยดีกว่าอย่างเงเขาไปแล้วมันก็พวกนี้ก็ปัญญาไม่ค่อยคมแต่ถ้าปัญญาคมนั้น เ, เขาบอกว่าคิดถึงภูเขาก็อะไรนะถ้าปัญญาประดุดเพชรเนี่ยนะอย่างวชิรูประมังเนี่ยเป็นชื่อของโดยศัพท์เนี่ยหมายถึงอาวุธของพระอินทร์เนี่ยมันพยโยนใส่ภูเขาภูเขาก็กระจายฉันใดปัญญาของพระโพธิสัตว์เนี่ยพิจารณาขันเหล่าใดขันเหล่านั้นก็แจ่มแจ้งมันปัญญาของท่านเนี่ยยิงได้ไวแล้วก็ยิงได้ไกล มันจะพิจารณารูปได้ทั้งหมดรูปเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นรูปในอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกยาละเอียดเลวประณีตไกลและใกล้ก็พิจารณารูปเหล่านั้นได้โดยไม่มีส่วนเหลือเนียนะแล้วไม่ติดไม่ขัดเหมือนลูกศรที่พลอนนะบุรุษผู้มีกําลังยิงลูกศรลูกศรเล่นไปจากแล่งโดยไม่ติดไม่ขัดฉันใดผู้ที่มีปัญญาก็แหลมคมวิจัยคล้ครวนทั้งหมดโดยไม่มีส่วนเหลือฉันนั้น บทว่าอ ก, กุตชมะมะว่ากุตชะกังเนี่ยนะพิจารณาความเกิดและความเสื่อมของสังขารทั้งหลายอธิบายว่าเพราะฉะนั้นพระองค์พิจารณาปัจจยาการโดยออกจากจตุทชาญนะที่มีอานาปานสติเป็นอารมณ์ชาญที่4เนี่ยนะชาญที่สี่ของพระโพธิสัตว์ทั้งหลาย ที่ได้มาจากการกำหนดลมหายใจเข้าออกนะพิจารณาลมหายใจเข้าลมหายใจเข้าออกจนได้ฌานที่สตอนปฐมยามแห่งราตรีฌานที่สี่ที่เบาอ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวก็น้อมไปเพื่อระลึกชาติอันนั้นฌานที่4ในปฐมยามนั้นจึงเป็นบาดแห่งการระลึกชาติพอมชิมยามพระองค์ก็เข้าฌานอีกครั้ง ออกจากฌานแล้วก็เมื่อจิตเบาอ่อนควรแกการงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวก็น้อมไปเพื่อพิจารณาสัตว์เกิดสัตว์ตายพอพิจารณาจนสมควรก็ออกเข้าฌานใหม่เข้าจตุทัชฌานทีนี้เข้าจตุทัชฌานก็เป็นบาทแห่งการพิจารณาปฏิจจสมุบาติก็คือพิจารณาขันธาตุอายตนะซึ่งขันธาตุอายตนะถ้าย่อลงมาก็คือชะ า, ากับ มรณะเพราะพิจารณาชราและมรณะชรามรณะก็คืออะไรว่าโดยย่อตัวชรามรณะคืออะไรก็คือขันห้าเหตุให้เกิดขันห้าคืออะไรก็นิพพติก็คือชาติเพราะชาติเกิดนั่นแหละรูปจึงเกิดถ้ารูปถ้าไม่มีการเกิดนิพพติคือชาติถ้าชาติไม่เกิดรูปขันจะเกิดได้ไหมรูปขันก็เกิดไม่ได้นี่ยนะแล้ก็มีการเริ่มการพิจารณาเบอกว่า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 ทศพลสูตรหรือว่าทุติยทศพลสูตรเนี่ยนะกำลังของพระพุทธเจ้าที่กล่าวว่าประพองศ์บัลลือสีหานาตว่าดังนี้รูปดังนี้ความเกิดขึ้นแห่งรูปดังนี้ความดับไปแห่งรูปรูปเป็นอย่างนี้นะเหตุให้เกิดรูปเป็นอย่างนี้นะถ้าจะดับรูปดับอย่างนี้นะดังนี้เวทนาดังนี้เหตุให้เกิดเวทนาดังนี้ความดับเวทนา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 เจริญทุกขานุปัสสนาในขันห้าเจริญอนัตตานุปัสสนในขันห้าเนี่ยนะเมื่ออนิจานุปัสสนทุกขานุปัสสนนิพิทานุปัสสนบริบูรณนิพิทานุปัสสนาก็บริบูรณ์เมื่ออนิจานุปัสสนาทุกขานุปัสสนอนัตตานุปัสสนนิพิทานุปัสสนาบบรริูณวิราคานุปัสสนาก็บริบูรณ์เมื่อนิจานุปัสสนาทุกขานุปัสสนอนัตตานุปัสสนนิพิทานุปัสสนาวิราขานุปัสสนบริบูรณนิโรธานุปัสสนาก็ บริบูรณ์มันเมื่ออนิจานุปัสนาทุกขานุปัสนานิพิอันนาทานุปัสนานิพิธานุปัสนาวิราคานุปัสนานิโรธานุปัสนาบริบูรณ์ปฏินิสักานุปัสนาก็บริบูรณ์ปฏินิสักาก็แล่นไปสู่อริยมรรคก็แล่นไปสู่อมะตะนิพานแล่นไปสู่พระนิพานน้อมไปเพื่อละเพื่อละสมุทัยเนี่ยนะ ันวิปั ส, สนาชั้นสูงก็เป็นไปเพื่อโคตรภูยานโคตรภูยานก็เป็นปัจจัยแก่โสดาปฏิมัติโสดาปฏิผลปัจเจเวกขณะยานพิจารณาสังขารเพื่อสกทาคามีวัคเมื่อเป็นพระสกะทาคามีแล้วก็เจริญวิปั ส, สนาเพื่อเป็นพระอนาคามีเมื่อเป็นพระอนาคามีก็เจริญวิปั ส, สนาเพื่อเป็นพระอรหรันต